สงสัยอะไรไหมถามได้อีกมีเวลาอขอหมายด้ว ย, ยว่าอาจารย์สอให้จิไปดูที่ดอกไมค้ันื่อ <c oughs> มัาว่าแยไม่ใช่อันนี้แค่ดูจิตมันเคลื่อนโดยแกล้งมันเดินๆไปนะนะ เดินเดินไปเนะี่ยถ้าจะ ร, รู้ตัวอยู่กับการเดินเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่เนี่ย น, นะแล้วไปมองมองอะไรก็ได้ถ้า่ะมาอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมามองขัวซองนองขนมปังอะไรง้ น, นะพอไปมองปุ๊บเนี่ยจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไม่ต้องห้ามอย่างเดินไปข้างๆเนี่ยนะอ้ข้างซ้ายก็าทำอะไรปิดประตูไว้แค่มองว่าเมื่อกี้มีอะไรที่น่าสนใจและน่าสงสัย เห็นจิตมันเคลื่อนไปหาประตูที่เขาปิดอยู่เนี่ยจิตเคลื่อนอย่างตัวเนี้ยโยมเอาตัวนี้เลยเนี่ยนั่งอยู่คราวนี้มองอาตมาก็จริงแต่ไม่สนใจรู้แต่ว่ากายนี้กำลังอยู่ในท่า น, นั่งกำลังหายใจอยู่ด้วยลองทำดู <c oughs> ไม่ทำนี่นะพูดเลย <c oughs> ตอนแยกกายแยกจิตเนี่ยนะมันเวลาเห็นกายเดิน ตอนเดินเนี่ยถ้าไม่มีสตินะกลายเป็นกูเดินหรือไม่ไม่เห็นว่ากูเดินเลยเห็นแต่ว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวไปรู้ข้างนอกไม่เห็นตัวเดินด้วยซ้าไปพอเริ่มจะมีมีความคิดขึ้นมาว่าฉันจะภาวนา<ม>จะเดินจงกรมแล้วฉันจะมีสติในการรู้ร่างกายนะพอเริ่มเห็นกายเดินถ้ามีสติจริงกายนี้จะถูกดูจิตนี้จะดูกายอยู่ อย่างที่บอกแล้วว่าจิตเนี่ยมีสภาพรู้อารมณ์ในขณะที่มีสติเห็นกายเดินเนี่ยกายเป็นอารมณ์ของจิตจิตนี้เห็นกายนี้อยู่เวลาจิตเห็นกายเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะว่ากายเนี่ยถูกดูจิตที่มีสติอยู่เนี่ยกาลังดูกายนี้อยู่แล้วไม่พูดมากไม่พูดเลยไม่ใช่ไม่พูดมากไม่พูดเป็นความรู้สึกเห็นกายนี้กาลังเดินเป็นความรู้สึกนะไม่คิด ไม่ไม่ไม่กำลังคิดว่ากายนี้กำลังเดินอะไรเนี่ยไม่คิดเลยไม่คิดนะกลกายเป็นรูปสิใช้ใจเห็นใช้ใจเห็นอย่างที่ตมาให้ทำเมื่อวานเนี่ยเอาเอามือควายหลังกระดิกนิ้วชี้รู้ได้ไหมอย่างเงี้ยลองทำสิเอามือควายหลังกระดิกนิ้วชี้กระดิกไปกระดิกมารู้ได้ไหม ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตาดูใช่ไหมไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้กายนี้ดูมันเป็นจิตที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวอันนี้ตอนเดินก็ไม่ต้องก้มหน้าดูกายหรือไม่ต้องไปหันไปส่องกระจกที่ไหนเดินอยู่ริมฟุตบาทหากระจกไม่ได้ลาบากใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกรู้สึกว่ากายนี้กลาลังเคลื่อนไหวอยู่นั่งอยู่เนี่ยก็รู้ตัวได้นั่งอยู่ในท่านี้มีอิริยาบถอย่างนี้ มันกำลังหายใจด้วยคือมันก็เพิ่มก็เพิ่มอยู่อย่างนี้มันฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำเลย